บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นรุ ป, ปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นกระบวนการแบบปรากฏการธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ ในช่วงของชีวิตปัจจุบันหลังจากเราได้เกิดมาเป็นชีวิตหรือเป็นมนุษย์แล้วมันก็กลายเป็นกลุ่มของนามรูปเราก็มีอายตนะภายในคือตาหูจมูกกลิ่นกายใจเมื่อมีอายตนะก็มีการเห็นรูปวิตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรูดด้วยลิ้นถูกต้องยึดร้อนแข็งด้วยกาย และสิ่งเหล่านั้นก็จะเก็บไว้ภายในใจก็กลายเป็นความจำเนื่องจากประสาทสัมผัสของเราพิจิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิน ร, ริิรูิิิ้ิิิิิิิิิิิิิดิิิิิิิิิิิิิิิิิิิกลิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิมิมิิิิิิิิ่ิิิกลิ่มิิิิิด้วยกันคือกลุ่มของิิงิิิิิิีิิิิิิิิิิิิิิิิิ่ิิิิิิลิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ การกระทบเหล่านี้ท่านเรียกว่าสัมผัส ท, ที่แปลจริงๆก็แปลว่าวการกระทบเท่านั้นเองถึงหมายความว่าเมื่อตาเห็นรูปผู้ฟังเสียงเป็นต้นมันก็เกิดความเกิดสิ่งอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกว่าวิญญาณที่แปลความรูปตามประสาทสัมผัสนั้นๆอาศัยทำสามประการ น, นี้เกิดขึ้นมัน ก, ก็กลายเป็นสัมผัสและจากนั้นก็จะกลายเป็นเวทนาคือความสวยอารมณ์ ตึ้งก็แสดงออกมาตามลักษณะของสิ่งที่เราจําไว้ก็คือออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์และเป็นกลางๆเพราะว่าสิ่งที่เราจําไว้นั้นก็มีดีกับไม่ดีและเป็นกลางๆเวลาเราประสบกับอารมณ์ของโลกนั้นที่จริงตัวอารมณ์ไม่ได้มีความสําคัญอะไรเท่าไหร่เพราะแกอยู่อย่างที่แกอยู่แล้วคนทั้งหลายในโลกนั้นก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์กันอยู่ทุกคน แต่ว่าเมื่อประสบกอารมณ์เหล่านั้นความรู้สึกของบุคคลจะแตกต่างกันคือพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือเฉยๆบ้างตัวเวทนาเกี่ความรู้สึกอารมณ์มันก็เกิดขึ้นจากการกําหนดของจิตในแต่ละขณะแต่เรากําหนดด้วยความพอใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมากําหนดด้วยความไม่พอใจก็เกิดทุกขเวทนา ก็ไม่กําหนดอะไรชัดเจนก็เฉยๆก็ไม่ถึงกลยยินดีหรือ ย, ยินรา้ายมันก็กลายเป็นอทุกขก็มาสุขก็เวทนาและในจุดนี้พึงสังเกตว่าต่อเป็นเรื่องสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายแม้จะเป็นพระยาบุคคลหรือว่าสามัญชนพ ร, ระยาบุคคลเองท่งานก็เป็นกลุ่มของนามรูปท่านก็มีอายต น, ท ะ, น, นทะท่านก็มีปัตตะือการกระทบแล้วท่านก็มีเวทนา แต่เนื่องจากภายในใจิตใจของท่านไม่มีตันหาความเดือดร้อนแปรผันด้วยอํานาจของเวทนาต่างๆจึงไม่เกิดขึ้นแม้จะเกิดขึ้นก็ไม่มีการยึดไม่มีการติดในตัวเวทนาเหล่านั้นแต่ถ า, ถามว่าพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายนั้นท่านมีหนาวมีหิวมีกระหายไหมมันก็มีหนาวมีหิวมีกระหายแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติ ไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นรุงแต่งด้วยอำนาจของตัดหาแต่เราก็พบหลักฐานในประวาลีที่ว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าประทับเทศสั่งสอนประชาชนอยู่เป็นเวลานานก็ปูดเมื่อยก็ต้องบรรทมแล้วก็ให้พระรูปอื่นเทศแทนหรือแม้แต่ ตอนที่พระเจ้าเสด็จไปเพื่อจับเป็นนิพพานที่เมือง ก, กุสินาราก็ทรงกระหายน้ําจึงถึงรับสั่งให้ปราโนนไปตักน้ําที่แม่น้ํำกับกุฏ า, านาทีนี่แสดงว่าเรื่องธรรมชาติทั้งหลาย ท, ที่เคยกล่าวไว้คือสิประการเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแต่แกหนาวร้อนหิวกระหายปวดรุ่จาระรปวดปัสสาวะง่วงนอนแล้วแก่เจ็บตาย เป็นปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบางสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นตัณหาก็ได้จะไม่เกิดเป็นตัณหาก็ได้ประเด็นสาคัญอยู่ที่เชื้อภายในใจของบุคคลว่ามีกิเลสอยู่หรือไม่ถ้าว่ามีกิเลสอยู่มันก็พร้อมที่จะเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง แต่เกิดมีความชอบความยินดีก็จะเกิดตัณหาประเภทที่เป็นกรรมตัณหาประเภทที่เป็นภวะตัณหาแต่ถ้าเกิดไม่ชอบมันก็เกิดกิเลสประเภทวิภวะตัณหาคือความไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นใจของบุคคลก็จะหมุนวนอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นแต่ถ้าเรามองกลับมาอีกทีหนึ่งว่าด้วยอำนาจของตัณหานั่นเองก็คอเกิดเวทานาตามกระแสของตัณหา เรอยากได้สิ่งที่ชอบแล้วก็ได้มาตามที่เราชอบมันก็กลายเป็นสุขเวทนาเราอยากได้สิ่งที่เราชอบแต่เราไม่ได้สิ่งที่ตามที่เราชอบเราก็เกิดทุกขเวทนาหรือบางครั้งบางคราวในสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นไปตามนั้นมันก็กลายเป็นวิภพ ว, วัตตันหา หรือบางครั้งกระแสะของตัณหาไม่ได้ไหรแรงอะไรก็กลายเป็นความรู้สึกเฉยๆคือกลายเป็นเวทนาเพราะตัณหากับเวทนาที่จริงก็เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาก็ได้ตัณหาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาก็ได้เป็นการย้อนไปย้อนมาในแต่ละกรณีซึ่งบุคคลสามารถสังเกตได้ด้วยจิตใจของตนเองในแต่ละขณะ ประเด็นของตัณหานั้นเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตราบใดที่บุคคลยังไม่ลุกบรรลุอรหันต์เป็นพระรหัน์ก็หลุดพ้นจากกระแสของตัณหาไม่ได้เพียงแต่ว่าสามารถลดละบรรเทาความรุนแรงของตัณหาลงไ ป, งปรัตนธรรมเทศนาที่ทรงสแสดงส่วนใหญ่ก็จะหนักไปในลนักษณะลดละบรรเทาความรุนแรงในกระแสของตัณหาซึ่งเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลาย วันนี้ผมสังเกตว่าลักษณะของเวทนาที่เป็นกระบวนการนั่กราบมาแล้วในตอนต้นนั้นบางครั้งบางคราวเราก็ตัดจะได้หรือไม่อยากจะก็ได้แต่เราไม่อยากเวทนาเหล่านั้นก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อใจเราตนาเองก็ไม่เกิดท่วมทับใ จ, ใจิตใจเรามีคำไทยอยู่ชุดหนึ่งซึ่งใช้อนำหน้า เรานํามาเรียงกันว่าอยากอยู่อย่างอยากตัวประเด็นสำคัญว่ารมอย่างไรจะไม่อยู่อย่า ง, าา ง, ง, า ง, งาอยากบางครั้งบางคราวความอยากมันเกิดขึ้นคือจะอยากเริ่มหน้ากรารมตัณหาหรือภาวะตัณหาหรือแม้แต่วิภาวะตัณหาก็ตามบางครั้งก็อยากขึ้นขึ้นแล้วแต่ว่าทําอย่างไรจะหยุดความอยากหรือบรรเทาความอยากในอารมณ์ดดนั้นลงไปได้เช่นสมมติเราเดนบนที่หนึ่งแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่งแล้วเกิดอยากสิ่งนั้น เราเดินไปจากที่นั้นให้ความอยากดับไปในที่นั้นได้หรือไม่ถ้าเราสามารถดับไปได้กระแสของความอยากก็ไม่ท่วนทับใจํานองใล้ๆกับมีจุดแปดเปื้อนอะไรบังเกิดขึ้นแล้วเราก็ให้เปื้อนเท่าที่มันเปื้อนแล้วก็ล้างสิ่งที่เปื้อนเราดันออกไปความสะอาดก็บังเกิดขึ้นการปฏิบัติในลักษณะนี้จะต้องอาศัยปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงที่ปรากฏในขณะนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าการใช้ปัญญาพินิจพิจนานจรณาจึงจะสังเกตเห็นได้ว่าความอยากเป็นนั้นมากที่อยากไปมันก็สูญเปล่าคือไม่เกิดอะไรขึ้นมาแต่เราก็แก่ปเปเปล่ า, ลาในตลอดระยะเวลาที่ใจถูกความอยากเ่านั้งครอบงำอยู่จะนาดจะนึกถึงกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วในอดีตบางคนปล่อยเวลาผ่านไปในอารมณ์ กับอารมณ์ในอดีตเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงก็แสดงว่าที่แน่นอนที่สุดก็คือเราแก่ไปเท่าจํานวนชั่วโมงที่เรามีกระแสะความอยากอยู่สุขภาพจิตของเราก็เสืมโทรมปริมาณกิเลสก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราอยากดันไม่สามารถที่จะหวนกลับคืนมาได้เพราะแท้จริงสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่เขาก็ดับไปแล้วในอดีตเราจะอยากอย่างไรเขาก็ไม่เกิดขึ้น แต่ว่าเวลาของชีวิตกับสภาพจิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนบางครั้งบางคราวในแนวของการลดความอยากหรือบรรเทาความอยากหรือแม้จ่หยุดความอยากก็ตา้พระเจ้าก็าจะสอนในรูปของการตัดกระแสะอารมณ์คือเราจะตัดไปเลยก็คงจะทำได้ยากก็เอาตัดที่เป็นอดีตซะก่อน การบนเพอพิริพิไรลำพันธ์ถึงเรื่องราวในอดีตแม้จะดีงามอย่างไรก็ตามแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตแล้วก็ถอนทายถอนผ่อนคลายบรรเทาความคิดเหล่านั้นลงไปหรือความอยากในลักษณะข่อยคว้าสิ่งที่เราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในอนาคตต่อตั้งปัญหาถามว่าเราอยากได้อะไรก็ต่อบว่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งตน อย่าได้แล้วมันได้หรือเปล่าในขณะนั้นในขณะนั้นมันก็ไม่ได้เพราะฉนั้นความอยากในช่วงนั้นก็เป็นความอยากที่ศูนย์เปล่าเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดแล้วก็ไม่แน่ว่าจะเกิดหรือไม่ท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าระหวังสิ่งนั้นกับเรานั้นเป็นสังขารแต่ธรรมแล้วตกอยู่ในสภาพธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในความแป ร, รปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาคือสิ่งนั้นจะไม่มาถึงเราก็ได้ หรือเราอาจจะตายจากสิ่งนั้นไปก่อนก็ได้หรืออาจจะไม่เจอกันก็ได้คือทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าสิ่งนั้นก็มีอยู่เมื่อมาถึงปัจจุบันแล้วเราก็มีอยู่แต่อาจจะไม่เจอกันก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลสามารถบรรเทากระแสของความอยากที่ลักษณะคว้าอนาคตให้ว่าบางลงไปใจมันก็อยู่กับปัจจุบัน ก็สามารถวันเทาความอยากที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะใช้ปัญญาพิจารณาสดสองถึงความควรไม่ควรความจำเป็นไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่เราจะได้เพราะจริงๆในขณะปัจจุบันนั้นถ้าเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ควรจะได้เฉพาะสิ่งนั้นแต่เราต้องการจะไปทางซ้ายมันก็ไปทางซ้ายก็ไม่ได้ไปทางขวาต้องการจะไปทางขวาก็ไปทางขวาไม่ได้ไปทางซ้าย วันเอาเฉพาะในส่วนที่มันเป็นประโยชน์จริงๆบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีประโยชน์บ้างมีประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายบางก็ใช้ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงเพราะเราไม่สามารถจะเอาด้วยกันทั้งสองฝ่ายตัวเลือกเอาเฉพาะที่มีประโยชน์มากกว่าเร่อการใช้เวลาของชีวิตในลักษณะของบุคคลผู้ไม่ประมาทเพื่สดงใเก็นว่าที่จริงบางเรื่องที่เราสละละวางมานั้นไม่ใช่ถึงกับไม่เป็นประโยชน์ แต่เมื่อเทียบเคียงกับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจัดจะต้องทำในขณะนั้นมันก็เป็นประโยชน์มากกว่าจะเป็นการทำในในสถานที่คนละแห่งกันและคนละกรณี ก, กันเพราะเมื่อจาเป็นที่จะต้องเลือกก็ต้องพยายามเลือกเอาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มากกว่าลักษณะความคิดในลักษณะ น, นี้ทรงสอนไว้หลายในยานในยะหนึ่งก็คือแปลงการตัดกระแสของอารมณ์ตั้งแต่ตอนต้ น, ตน คือหม่ยคามาเห็นรูปของเสีย ง, ร, งรู้กิ่นนิ่มรสเป็นต้นอยู่นั้นเองแต่เห็ว่าจะมีปัญหาก็ตัดกระแสอารมณ์ลดนั้นไปเสียคือไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจตัวอารมณ์ลดนั้นแม้จะมีการกระทบแต่ไม่ถึงกับชอกช้ำใจเวทนาก็ไม่เกิดอาจจะเกิดเป็นปู๊บหนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปกระแสของตัณหาก็ไม่มีกําลังมากพอที่จะทําให้จิตใจก็เราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปรผันไป แต่ทีนี้บางครั้งเราก็ไม่สามารถจะทำได้ในขณะนั้นพระเจ้าก็ทรงสอนมาให้ไปลดละที่ตัวผัสสะคือการกระทบคือปล่อยมันผ่านไปคล้ายๆกับเราเดินไปก็สวนคนไปเรื่อยคนสวนมาบ้างคนเดินเคียงข้างเราไปบ้างได้ไยินเสียงต่างๆบ้า ง, า ง, างที่จริงประสาทสัมผัสอย่างน้อยในขณะนั้นมันก็รับรู้อะไรอยู่สามอย่างคือรับรู้ทางตารับรู้ทางหู แม้ทางจมูกอาจจะทางจมูกด้วยก็ได้อย่างเดินไปถนนน้ำทามงมากาศจะได้กลิ่นด้วยก็ได้หรือบางทีอาจจะมีลมพัดพามาอาจจะมีสัสมผัสคือการกระทบทางกายด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ปล่อยก็ถึงใจก็ปล่อยสักแต่ว่าอารมณ์ดอกนั้นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิน่นสักแต่ว่าสัมผัส รถนั้นก็อาจจะมีด้วยก็ได้ในขณะนั้นเช่ว่าเดินกินอะไรไปมันก็มีรถก็ไปด้วยก็ต้องลงว่าประสาทสัมผัสเราก็รับรู้ทั้งห้าเรื่องคือตาก็เห็นรูปหูก็ห่างเสียงจมูกก็ดมกลิ่นลิ้นริมรดกายก็ถูกต้องสัมผัสแต่ว่าไม่มานะสิการคือไม่ใส่ใจรูปมันก็ผ่านไปสักแต่ว่ารูปจึงจะสามารถสังเกตได้ว่าเราสวนคนไปเยอะแต่เราไม่รู้ว่าสวนใครไปเราได้เสียงมาได้ยินเสียงมากมายแต่ไม่รู้เสียงอะไร เราก็ได้กลิ่นแต่ไม่ได้กําหนดชัดเจนว่าเปนกลิ่นอะไรพรเราไม่สนใจหรือว่ากระทบกับสัมผัสจะหนาบ้างจะเย็นจะร้อนไปบ้างหรือจะเย็นไปบ้างเราก็ไม่ใส่ใจมันก็เป็นศักด์แต่ว่ามันเป็ น, านการกระทําในลักษณะนี้ก็แสดงว่าสามารถบรรเทาหรือหยุดปัญหาในตรงนั้นจะได้โดยให้ไม่ไม่ให้กระทบเข้าไปถึงใจหรือแม้แต่กระทบก็ให้ตกไปที่ใจแต่บางครั้งมันก็กระทบไปแล้ว มันกเกิดเป็นเวทนาคือต้องการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเวทนาคือความสุขหรือความทุกข์แต่ที่จริงถ้าสัมผัสแล้วก็ส่วนใหญ่บางนก็เอาไม่ทันช่วงนี้แล้วก็เกิดเป็นความพอใจหรือความไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็หยุดไว้เฉพาะตรงนั้นโดยการใช้ปัญญาพิจารณาระลึกรู้ทันหรือใช้สติเป็นตัวปิดกั้นหรือว่าใช้สติสัมปชัญญะเป็นปตัวระลึกรู้ก็แล้วแต่ ที่กำลังใจของเราจะกล้าแข็งมากพอคือจะดึงธรรมะข้อใดมาช่วยไว้ในขณะนั้นนันหรือบางครั้งมันก็เปิดเกิดเป็นตันหาขึ้นมาแล้วก็พยายามดับในตัวตันหาเหล่านั้นอย่างที่อย่างที่ยกตัวอย่างไว้ในตอนต้นที่ว่ามันก็เหมือนกับรอยเปื้อ น, นเคยเปื้อนเท่าที่มันเปื้อนแล้วก็พยายามลา้างเฉพาะในจุดเปื้อนเหล่านั้น แต่ลักษณะของใจเนื่องจากอาการของตัณหาแกมีสภาวะชัตสายคือเล่นไปหรือสายไปหรือวิ่งพล่านไปเนี่ยโรคต่างๆให้เราสังเกตว่าจุดแรกของตัณหาที่จริงก็ไม่ได้มีกำลังมากอะไรแต่คล้ายๆกับเรามีจุดเปื้อนแล้วแทนที่จะล้างเราไปละเลงมันกับมือเป็นละเลงมันก็เปื้อนออกไปได้เรื่อย จิต ใ, ใจที่มีตันหาในอารมณ์ยังใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวเราก็ไปตรุดนึกไปเหนียวนึกไปปรุงแต่งขึ้นด้วยประการต่างๆคาดไม้เอาแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีอาการของโมหะเจือปนอยู่เป็นอันมากความอยากบางอย่างจึงไม่ค่อยจะมีเหตุผลอะไรหรือไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ก้อนนี้ไปสังเกตว่าจึงคนตกอยู่ภายใต้ อำนาจของพวกอบายยมกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกการพ น, นันแต่ลักษณะของตันหาที่มีโมหะวะปนอยู่มากปัญญาเป็นตัวสอนสองพิจิตรพิจารณาแยกแยะโดยเหตุโดยผ ล, ยผลก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นคือไม่มีกําลังมากพอที่จะหยุดกระแสของตันหาส่วนมากแล้วก็จะไหลท่วมทับจิตใจของบุคคลให้ตกอยู่ในวังบนของการเล่นการพ น, นันก็กลายเป็น การก่อเวรการเสียดายทรัพย์ที่หมุนวนกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดพอแพรขึ้นมาก็เสียดายทรัพย์ต้องการที่จะเจ้าึ้นพอจะหน้าขึ้นมาก็สร้างเวรกับ ค, คนอื่นละเขาต้องการจะแก้แค้นชีวิตของเราก็หมุนวนอยู่ในระหว่างก่อเวรกับเสียดายทรัพย์ในสุดก็ถูกกระแสของตัณหาเหล่านั้นพัดผ่านไปตามลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ าการสอนให้ดับใน่แนวของตัณหานั้นกําลังของสติสัมปชัญญะความเพียรจะต้องมีมากแต่มันก็ดับไม่ไ่ทันก็ใกล้ๆกับไฟไหม้แต่วกว่าจะดับทันนั้นเราก็ตกใจซะก่อนในช่วงที่ตกใจก็เสียเวลาไปหลายนาทีไฟมันก็ลามได้เรื่อยๆนี่ทำยังไงจิตใจจึงจะมั่นคงพอเห็นไฟลุกขึ้นมาก็ดับได้ทันทีมันก็มีรอยไหม้อยู่ไม่ใช่ไม่มีรอยไหม้แต่ว่าก็เกที่ไฟไหม้จะ ถูกจำกัดลงคือไม่มากจนเกินไปการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้จําเป็นจะต้องอาศัยคุณธรรมทั้งสามประการที่ทรงแสดงไว้ในมาสติปฐานันสูตรเด่นเด็กยืต้องมีสติสัมปชัญญะและข้ความเพียนความเพียนนั้นจะต้องมีลักษณะผลักดันคือมีกำลังมากพอวางครังกระแสของตัณหาที่เกิดขึ้นท่ทัพใจน้นมันก็รุนแรงรเกิเราอาจจะสู้ไม่ค่อได้ แต่ก็ต้องพยายามสู้โดยการเพิ่มปริมาณคล้ายๆกับเรายกของหนักขึ้นมาแต่ของธรรมดาธรรมดาก็พอยกกันได้แต่บางครั้งบางคาไปเจอของหนักไปต้องมีการผลักดันมีแรงผลักดันเกดิดขึ้นเราก็ต้องใช้ดิ่วแรงก็เราเพิ่มขึ้นเพื่อ ย, ยกของนั่นนั่นขึ้นมาให้ได้หรือว่าผลักดันสิ่งที่ดันเรามาให้ได้เราก็สามารถที่จะช่วยตัวเองให้ยืนหยัดอยู่ได้ ลักษณะของตัณหานั้นจะมีอาการแพร่คล้ายๆกระบาดที่พระเจ้าทรงแสดงส่วนใหญ่นั้นจ ะ, สนนนจะแสดงไว้สามช่วงซึ่งก็หมายความมาเราก็ดับได้ทั้งสามช่วงเฉพาะในช่วงก็ตัณหาคือเป็นตัณหาแล้วก็ดับได้ทั้งสามช่วงช่วงแรกก็คือโปโนพวิกาจะก่อให้เกิดเป็นความมีความเป็นอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้โนก็แล่นไปใหน่ลมทั้งหลายคือทําอย่างไรจึงจะตัดใช่บ้างอย่าให้เกิดเป็นโปโนพวิกา ก็อยากได้รู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักจุดรู้จักระ ร, รู้จักว า, กวาอย่าน้อยก็คุมกระแสของตัญหาเอาไว้อย่าให้ถึงที่ต่านใช้คำโบราณนั่นใช้คำโลภล่วงคือหมายความว่าความโลภนั้นในจุดของศีลธรรมจัญยาไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเพราะเราก็เป็นการมาโลภเป็นการมมาธาตุเป็นการมมาสัญญาเป็นการมสญญ า, ารมสังกัปปะยังไงยังไงมันก็ต้องมีความอยากได้อยู่ แต่ตั้งก็สอนในแค่วาฬาโลภร่วมหมายความว่าความโลภของเรานั้นยาล่วงเข้าไปที่ ท, ทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นที่เป็นสิทธิซึ่งคนอื่นกครอบครองอยู่ถ้าเราคุมไว้ได้มันก็เป็นกา ย, ยสุจริตเป็นวิจีสุจริตแล้วก็เป็นมโนสุจริตจิตก็เข้าสู่ประแสะของกุศลกรรมบททั้งสิประการได้แต่ในขณะเดียวกัน แม้จะสแสวงหากันด้วยประการต่างๆก็ตามดังนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งที่ทา ง, งกันแสวงหาด้วยอำนาจการตันหาที่เสือกสใสเป็นแนรต่างๆนั้นจนไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรจะ ก, กินจะใช้ก็เรียกว่าสักร้อยปีสักพันปีก็ไม่หมดไม่สิ้นแต่ก็ใจก็ยังคว้าอยู่ตอนวิธีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในลักษณะเป็นตันหานั่นเอง ต่วเปลี่ยนตัวตนหาเปลี่ยนวัตถุอันเป็นที่ใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจแล้วคงก็เป็นวัตถุอยู่นั้นเองพึงสังเกตว่าคําสอนในระดับสวรรค์เป็นสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์การสอนเรื่องทานที่จริงก็คือว่าต้องการแปลวัตถุที่เป็นสมบัติของโลกคือโลกิยสัพย์ให้มาเป็นอริยสัพ์ เพราะโลกียทรัพย์นั้นเป็นสมบัติที่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายโจรขโมยเอาไปก็ได้เกิด อ, อันตรายจากไฟไหม้ ก, ก็ได้จากน้ำหลากก็ได้หรือไม่มีอะไรแม้จะไม่มีอันตรายบางก็เปลี่ยนแปลงในตัวคนปัจเองแตกดับไปในตัวคนปันเองส่วนใดที่อยู่กับเรามาได้นานๆแต่ในที่สุดก็ต้องพ ร, กพรากจากกันไปเป็นสมบัติติดโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติที่ต้องทอดทิ้งเอาไว้ในโอก ก็มาเปลี <Hey. S 1> ่ยนเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยศรัทธาเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยศีลเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นในริเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นด้วยความละอายต่อปากทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสติปัญญาเป็นต้นซึ่งเป็นทรัพย์ติดตัวแต่ถ้าแท้จริงแล้วก็เป็นลักษณะเป็นไปเพื่อพบเพื่อชาติจุเดียงแต่ว่าพบชาติเหล่านั้นจะมีความประนีตมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าใจของเราก็ แม้จะมีตันหาแต่ตันหามั่นจางลงถุกบันเท่าลงได้มีการควบคุมทิศทางของตันหาเหล่านั้นไว้ได้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็ความเหนือ่อยยากลําบากตากตามในกิจการงานต่างๆที่ทํามาตลอดชีวิตมันก็กลายเป็นสมบัติที่สามารถนำํำพาไปได้พระเจ้าก็ทรงแสดงในรูปนี้เช่นทรงแสดงไว้ในนิธิการตรสรู้ที่ว่า ไม่สาธารณะแก่บุคคลทั้งหลายคือความดีหรือความชั่วที่จริงทั้งความชั่วยด้วยมันก็ไม่สาธารณะแก่ใครคือไม่ทำายความว่าใครทําคนนั้นก็ได้แต่ว่าในที่นี้ทรงเน้นเฉพาะตัวความดีไม่สาธารณะทั่วไปแก่ใครก็ทํานองคล้ายๆกับความรู้หรือความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราใครเรียนคนนั้นก็รู้ความสงบใครสงบคนนั้นก็ได้คนอื่นก็ไม่ได้ ถ้าหากว่าต้องการจะเกิดความสงบก็ต้องทำเอาเองก็ซึ่งก็เป็นไปตามกฎของกรรมการคำสอนในลักษณะนี้เป็นคำสอนในรูปของการบรรเทาตัณหาหมายความว่าอาศัยตัณหาละตัณหาก็ตำนองคล้ายๆกับพวกของโลกธรรมที่เป็นเครื่องมือในการปรับจิตของบุคคลขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านในบุคคลสามารถสละลาบคือผลประโยชน์ต่างๆที่ตนปีอยู่ได้อยู่เพื่อได้มาซึ่งยศแต่ท่านสอนในแนวพระพุทธศาสนานั้นจะเน้นไปที่ตัวเกียรติยศซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความปีส่วนบริวารยศก็อิศยยศนั้นจะเกิดก็เกิดจะไม่เกิดก็แล้วไปจะไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็สามารถที่จะสละยศเพื่อได้มาซึ่งการยกย่องสรรเสริญจากวิญยาชนทั้งหลาย เราแม้จะไม่ใส่ใจสนใจในตัวสันเสริญก็มุ่งไปที่ตัวความสุขจนเราจะเห็นว่าที่จริงก็มีลักษณะของตานหาอยู่เพียงแต่ว่าละในส่วนละไปคว้าในส่วนยศละในส่วนยศไปคว้าในส่วนสรนเสริญละในส่วนสรนเสริญไปคว้าในส่วนของความสุขก็ลักษณะของคว้าของการคว้าคือใจมันก็ดิ้นมันก็พรานมันก็แล่นไปในรมมอนกันแต่ก็ประนิดขึ้นก็สงบขึ้น ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องของตัญหานั้นอย่างไงอย่างไงเราก็ต้องอาศัยเป็นเครื่องมือในการเดินทางไปเรื่อยๆอยานที่ทรงอุปมาอุปมาสมัยโบราณก็อุปมาเป็นแพรหรือสมัยนี้ปมาเป็นหรือยานพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราต้องการอาศัยไปในที่ใดที่หนึ่งซึ่งอาจจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลหรือว่าจะต้องต่อยานพาหนะหลายครั้ง ในแต่ละช่วงนั้นยานพาหนะแต่ละอย่างก็มีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับเกาะยิงอาศัยไปจนถึงจุดหมายที่จะเปลี่ยนยานพาหนะอีกอันหนึ่งแต่เมื่อถึง จ, จุดนั้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ไม่สามารถที่จะต่อไปได้แล้วพอต่อยานพาหนะหนึ่งไปแล้วไปถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนอีกก็แสดงว่าพวกยานพาหนะนั้นจึงกลายเป็นเครื่องอาศัย ลักษณะของตันหาที่ได้มีการควกคุมมีการขูดกรามีการยับยั้งบรรเทาก็เป็นเช่นนั้นจนถึงกับคำนว น, นง่ายๆอย่างที่กล่าวว่าอาศัยตันหาละตันหาคืออาศัยเข้าไปแล้วก็ล่าเขาอาศัยเขาก็ล่าเอาไปเรืจนถึงกับหลุดพ้นจากกระแสของตันหาอันเป็นจุดหมายปลายทางในการประพฤติปฏิบัติเพราะในชั้นของการดํารงชีวิตประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่า ในเรื่องตัวประสาทสัมผัสตัวการกระทบแล้วก็ตัวเวทนาเฉพาะในช่วงนี้ที่ส่งแสดงว่าเป็นกระบวนการที่นำไปสู่กระแสของตัดหาถ้าสามารถตัดได้ในช่วงใดชุดหนึ่งคือมีสติระลึกรู้เท่าทันทั้งความจริงได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งใจก็ไม่ถูกท่วมทับด้วยกระแสของตัดหาและแม้ตัดหาเกิดขึ้นก็คล้ายๆกับน้าหลากมาลูกไฟไหม้มาเราก็ตัดกระแสเสีย แล้วก็มีมีอันตรายเฉพาะจุดนั้นๆทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทํำยังไงว่าให้เวลามันอยูุ่น้อยหน่อยคือไม่ถึงกับเป็นความอยากมาจากที่ใดที่หนึ่งแล้วก็แบกความอยากขึ้นไปแล้วก็ปรุงต่อหรือคิดต่อจนเพิ่มกระแสของตันหาถ้าสมมุติว่าเกิดอยากขึ้นแนวอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เดินปรุงต่อหรือว่านั่งปรุงต่อมาเรื่อยมาถึงที่บ้านอาบหน้าทาแล้วจะนอนก็มาปรุงต่ออีก เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในด้านจิตใจว่าตอนอยากใหม่ๆนั้นไม่ร้อนไม่แรงขนาดนี้แต่ทําไมาตอนจะนอนมันเกิดมีความเร้าร้อนมีความรุนแรงก็จะเห็นว่าปริมาณของตันหานั้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ํานองคล้ายๆเราเดินไปสูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปถ้าเราหลบออกไปในตอนนั้นมันก็เป็นเท่าที่มันเป็น ถ้าคืนไปสูดเข้าไปเรื่อยๆคือเดินเข้าไปในหมู่อากาศที่เป็นพิษแล้วก็สูดเข้าไปเรื่อยๆความออนเปรียปร้ยบแรงสุขภาพภรานามัยของเราก็ทรุดโทรมลงไปได้เรื่อยๆใจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพ ต, ตัญหาท่านจึงมองในรูปของการให้เป็นโทษถ้าตัดในรูปอย่าให้มีอย่าให้เป็นจะได้เนี่ยตอนแรกคืออย่ากรุงต่อให้มากๆก็จะสามารถบรรเทาลงไปได้ทีถ้าเกิดปุงต่อ จะอยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากกำหนัดอย่ากเพลิดเพลิพนยินดีเกินไปโดยใหปัญญาสดแทกขึ้นมาได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งใช่บ้างทีนี้สมมติว่าตรงนี้เราเกิดทําไม่ได้อีกแล้วก็อยากเพิ่มเชือ้อขย้ายเพลิดเพลิพพนยิ่งขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นมันก็แบ่งออกมาเป็นสามช่วงหมายความว่าก็สามารถที่จะตัดได้ในช่วงใด ช, ช่วงหนึ่งหรือว่าตัดในช่วงยาวๆไม่ได้ก็จะทําในช่วงสั้นๆไม่ได้ ก็พยายามที่จะตัดเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งแล้วกระแสของตันหาก็จะล ด, ดละบรรเทาลงไปแต่ตอนนี้ปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป